เจริพรท่านผู้มีจิตเมตตากรรมนาใจบุญใจผู้ศรทุทุกท่านวันนี้เป็นวันพุธ ท, ที่สี่กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเป็นวันพระวันธรรมวสุวนะ วันที่ญาติโยได้ตั้งใจมาวัดเพื่อปฏิบัติภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้แก่พุทธบริสัทได้ปฏิบัติกันเพราะจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญทางจิตใจ ภารกิจนี้มีอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. นึ่ทำบุญ 2. ละบาป 3. ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์าการกระทนทั้งสานี้จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่จิตใจและพัฒนาจิตใจให้เจริญขึ้นไปตามลำดับ แล้วก็ชำระใจให้สะอาดบรยสุดเพื่อยุติการเวียนว่าตายเกิด น, นี่คือภารกิจที่สำคัญของพวกเราเพราะจิตใจนี่แลเป็นของเราอย่างแท้จริงเรามีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวที่เป็นสมบัติของเราก็คือจิตใจของเรา ส่วนสมบัติสมบัติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆหรือร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราของพวกนี้เป็นของโลกนี้ทามาจากโลกนี้ผลิตมาจากโลกนี้ทามาจากดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ ร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่เข้าของเงินทองต่างๆก็เป็นธาตุสี่เป็นธาตุสีที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเราไม่ได้เป็นเจ้าของของสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถไปสั่งให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอด เรามีสมบัติชิ้นเดียวที่เป็นของเราและอยู่กับเราไปตลอดก็คือจิตใจของพวกเรานี่เองจิตใจคืออะไรจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตใจนี่แหละเป็นของเราและไม่ได้ดับไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ร่างกายจะดับไป แต่จิตใจของพวกเราไม่ได้ดับไปทรัพย์สมบัติเข้าวของหมดไปใจของเราก็ยังอยู่คนต่างๆบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องที่เรารู้จักเขาจากเราไปหมดไปแต่เราไม่ได้หมดไปกับเขาปัญหาของจิตใจของพวกเราตอนนี้ก็คือไม่มีความสุขกัน ยังมีความทุก์กันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้แหละที่เป็นปัญหาที่ทำให้จิตใจของเราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะว่าเราไม่รู้จักหน้าที่ของเรานั่นเองแทนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ของเราเราไปปฏิบัติหน้าที่ของคนอื่น ก็คือไปปฏิบัติหน้าที่ของร่างกายไปปฏิบัติหน้าที่ของกิเลสตัณหาซึ่งทำแล้วแทนที่จะทำให้เราจเจริญทำให้เรามีความสุขกลับจะทำให้เราเสื่อมทำให้เราทุกข์การจเจริญของจิตใจ นี่ไม่ใช่เป็นการเจริญด้วยราบยศสรรเส ร, ริงการเจริญด้วยราบยศสารเส ร, ริญนี้เป็นการเจริญของกิเลสตัณหามีกิเลสตัณหามีความโลภความอยากมากเท่าไหร่ก็จะสามารถหาราบยศสารเส ร, ริญมาได้มากเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันได้ราบยศสรรเส ร, ริงมาแล้ว ก็จะได้ความทุกข์ตามมาด้วยยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีความโลภมากมีความอยากมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากเพราะจะอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องพยายามดิ้นรนหามาอยู่เรื่อยๆตามความโลภตามความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้คืบก็อยากได้เป็นสอกได้เป็นสอก ก็อยากจะได้เป็นวานอยากจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆได้แสนก็อยากจะได้เป็นล้านได้ล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านร้อยล้านผ่นล้านได้มามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ได้มาทําประโยชน์ให้กับจิตใจแต่กลับเป็นภาระให้กับจิตใจจิตใจจะต้องมาหวงมาห่วงมาเสียดาย เวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเวลามีอยู่ก็หวงก็ห่วงใครมาขอก็ไม่ให้ท่านทาที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้แต่หวงตายไปก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้มาเอามาทำบุญ เอามาแบ่งปันเอามาสงเคราะห์ผู้ที่ตกดทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเอามาทำประโยชน์ให้แก่สังคมเพราะการให้นี้จะคลายความหวงจะคลายความห่วง<ม>จะทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ<ม>นี่คือปัญหาของพวกเราแทนที่จะให้กับอยากได้ ได้มาแล้วก็หวงแล้วก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปเวลามีชีวิตอยู่ก็ทุกข์อยู่กับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆตายไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์<ม>เพราะว่าไม่ได้ทำทานไม่ได้ละบาป<ม>คนที่ไม่ทำบุญนี้จะไม่รักจะไม่ละบาปเพราะอยากได้เงินมากนั่นเอง เวลาอยากได้เงินมากถ้าต้องทําบาป ก, ก็ก็ยินดีที่จะทําถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าต้องขโมยก็ขโมยถ้าต้องโกหกหลอกลวงก็จะโกหกหลอกลวงเพราะอยากจะได้เงินทองมากๆนั่นเองนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของกิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้เราไม่ควรรับใช้กิเลสตัณหา เราควรที่จะมาทำลายมันเพราะกิเลสตัณหานี่เป็นเหมือนเชื้อโรคของจิตใจถ้ามีกิเลสตัณหามากเท่าไหร่ใจก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรากาจัด ก, กิเลสตัณหาอย่าส่งเสริมกิเลสตัณหาด้วยการกระทำตา ม, ตามความอยากตามความโลภต่าง เพราะจะไม่ได้ทำให้ใจสูงขึ้นใจดีขึ้นแต่กลับจะทำให้ใจต่ำลงจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกไปเพราะความโลภจะทำจะพาให้เราไปทำบาป ก, กันนั่นเองพาให้เราไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พอทำแล้วจิตใจก็ตกต่ำตามตามบาปที่ท ำ, ท, ำทันทีร่างกายถึงแม้ยังจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มร้อนจิตภายในจิตใจไม่มีความสุขเลยนี่คือการปฏิบัติ ตามความโลภตามความอยากต่างๆเพระพุทธเจ้าจงึงทรงสอนให้เรามาฝืนความอยากกันด้วยการจาคะบริจาคเสียสละแทนที่อยากได้ก็ให้เสียสละตอนนี้มีร้อยล้านก็ให้ลดเหลือสักสิบล้านไม่ใช่มีร้อยล้านแล้วอยากจะเพิ่มเป็นพันล้านกว่าจะได้พันล้านนี่จะต้องเหนื่อยอีกสัก เท่าไหร่จะต้องทําบาปอีกสักเท่าไหร่ถึงจะได้พันล้านมีร้อยล้านกับพันล้านมันต่างกันตรงไหนกินก็กินเท่าเดิมบ้านก็อยู่บ้านเดิมเสื้อผ้าก็ใส่เท่าเดิมไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นได้มาก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายดีขึ้นร่างกายก็มีแต่จะแก่จะเจ็บจะตายไปตามลําดับอยู่ดี อันนี้เราต้องคิดให้ดีอย่าหลงกับความโลภความอยากเพราะเราไม่ได้ประโยชน์จากความโลภความอยากจิตใจของเราจะตกต่งจิตใจของเราจะมีความทุกข์เพ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรามาทาบุญได้แบ่งปันได้มีน้อยล้านก็ลดเหลือ10ล้านเอา90สล้านนี่มาทาบุญ มีเศรษฐีคนหนึ่งทำอย่างนี้เขาบริจาคเงิน90ล้านสร้างโรงพยาบาล9ก้าแห่งด้วยกันแล้วก็บูชาให้กับหลวงปู่มัน่นที่เขาเคารพนับถือว่าเป็นพระอาหารหันต์เขาเชื่อคำสอนของหลวง ป, ปู่มัน่นที่สอนให้บริจาคให้เสียสละอย่าให้ห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็เก็บไว้เป็นภาระต้องคอยมาดูแลรักษาถ้าไม่ละมัดระวังก็อาจจะหายไปได้ถูกเขาโกงไปได้แต่ถ้าเอาไปทำดูแล้วจะโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจจะมีความอิ่มเอิใจเพราะได้ช่วยเหลือผู้ได้ช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ได้มีที่ไปรักษาพยาบาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหลือสิบล้านเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ยังมีกินมีใช้อยู่เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละคือการทำทานทำอย่างนี้ทำเพื่อต่อสู้กับความโลภอยากได้เงินทองมากๆ ถ้าเราทําทานอย่างนี้แล้วเราจะไม่โลภอยากได้เงินทองเราจะเอาเท่าที่จำเป็นเอาพออยู่ได้ก็พอแล้วพอมีพอกินถ้ามีมากกว่านี้ก็เอาไปทําบุญอยู่เรื่อยๆและการทําบุญนี่แหละจะทําให้เราไม่ต้องไปทําบาปคนที่ทําบุญก็แสดงว่าไม่โลภไม่อยากได้เงินทองมากมายก่ายกอง ก็ไม่ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะให้ได้เงินทองมานั่นเองทำมาหากินก็ทำแบบสบายๆไม่ต้องดิ้นรนขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เดือร้อนอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลแล้วกลับจะขายดีกว่าเดิมเพราะคนเขาจะชอบเราเพราะเราพูดจริงเราไม่โกงเราไม่เอากำาไรมากเกินไป ้าขายแบบนี้ใครๆก็อยากจะซื้อกับเราเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่เมื่อเราได้รายได้ไดมาเราก็จะเอาไปทำบุญต่อเพราะเรามีความสุขจากการทำบุญมีความทุกเวลาเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เวลาเอาไปทำบุญแล้วใจจะมีความสุขแล้วเราก็จะรักษาสินได้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดดมดเท็จโกหกหลอกลวงไม่เสพสารยาแนาถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะปิดประตูอบายได้คนที่รักษาศีลได้นี้ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกเพราะไม่ได้ทำเหตุนั่นเอง เหมือนกับคนที่ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องไปติดคุกติดตารางฉันใดถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบ า, ายถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบ า, ายคนที่ทำบุญหน้าบาปได้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับในสุขติ ก็อยู่ในภพของเทพชั้นต่างๆจากเทพก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยกว่าเดิมมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากกว่าเดิมมีอายุยืนยาวนานมากกว่าเดิมพอกลับมาเกิดก็กลับมาทําบุญ ล, ละบาปใหม่ก็จะกลับขึ้นไปใหม่ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขไม่ต้องไปตกทุกข์ได้ยากไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปใช้กรรมในานารกนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการที่เราทำบุญละบาปกันแต่การทำบุญละบาสนี้จะไม่สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ทําให้ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้จะเป็นต้นเหตุ ที่จะพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อถึงแม้ว่าจะเกิดในภพที่ดีก็ต้องมีการเสือ่อมเกิดไปเกิดเป็นเทพก็ต้องเสื่อมกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับการพลาดพาจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบ เราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดวิธีชำระใจให้สะอาดก็คือต้องทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงถ้าหลงก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาถ้าฉลาดก็จะไม่หลงเพราะจะรู้ว่าสิ่งที่โลภที่อยากนี้ไม่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์นั่นเอง นี่คือการชำระความชำระใจของเราให้สะอาดโดยสุดต้องชำระด้วยการภาวนาภาวนานี้ก็มีสามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสามถาภาวนาคือทำใจให้สงบขั้นที่สองก็คือวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่น่าอยากได้เพราะได้มาแล้วจะให้ความทุกข์กับเราทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งทุกเพราะว่าเราสั่งเขาไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดไม่ได้บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีบางเวลาเขาก็อยู่ บางเวลาเขาก็ไม่อยู่เวลาเขาไม่อยู่เราก็จะเสียใจเวลาเขาไม่ดีเราก็จะทุกข์ใจนี่คือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเพราะไม่อยู่ภายใต้คาสั่งของเรานี่คือการสอนใจถ้าใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้ เพราะไม่มีใครอยากได้อะไรมาให้ความทุกข์กับเรานั่นเองแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้นั่นเองพอเห็นอะไรก็อยากได้พอได้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาได้สามีก็ต้องมาทุกข์กับสามีได้ภรรยาก็ต้องมาทุกข์กับภรรยาได้บุตรได้ธิดาก็ต้องมาทุกข์ทุกข์กับบุตรกับธิดาได้สมบัติก็ต้องมาทุกข์กับสมบัติเพราะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองเวลาเขามาเราก็ดีใจแต่เวลาเขาไปนี้เราก็จะเสียใจจะทุกข์ใจแต่ถ้าเราอยู่แบบไม่มีอะไรได้เรากลับจะมีความสุขเพากว่าใจของเรานี้ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้สิ่งที่ใจเราต้องการก็คือการภาวนานี้เอง ต้องการความสงบต้องการความฉลาดต้องการความรู้ที่จะหยุดความอยากหยุดความโลภเท่านั้นเองถ้าเรามีความสงบมีความรู้ที่จะหยุดความโลภหยุดความอยากแล้วใจของเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะใจของเราไม่ได้เป็นรูปประธรรมเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เป็นรูปประธรรม ต้องอาศัยรูปธรรมถึงอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคเครื่องนึ่งหงร่างกายถึงจะอยู่ได้แต่ใจนี่ไม่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมาสิ่งที่ใจต้องการก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้ใจฉลาดที่จะสอนให้ใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไร เพราะการอยากได้อะไรการยึดการติดนี้จะทำให้ใจมีแต่ความทุกข์นั่นเองถ้าใจปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่เข้าใจกันยังไม่รู้กันเพราะเราไม่เคยเห็นใจ เนื่องจากใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องขนนี่เองเราไม่สามารถเห็นใจของเราได้ด้วยตาเปล่าเราไม่สามารถเห็นใจของคนอื่นได้ด้วยตาเปล่าแต่สิ่งที่ทำให้เราเห็นใจของเราได้ก็คือการภาวนานี่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้เราก็จะพบกับใจของเราถ้าเราจะรู้ว่านี่แหละคือ คือสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะเอาจากเราไปได้และการที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขก็คือต้องทําใจของเราให้สงบอยู่เรื่อยๆการจะทําใจของเราให้สงบอยู่เรื่อยๆก็ต้องภาวนาอยู่เรื่อยๆต้องควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดไป ตามความอยากต่างๆถ้าคิดไปทางความอยากใจก็จะเครียดใจก็จะทุกข์ขึ้นมาจะกังวลกัวายกระสับกระส่ายจะวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาถ้าควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงความอยากได้ใจก็จะเย็นจะสบายถ้าลองคิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปดูเรื่อยๆลองทำดูนํารองได้ว่าจะเห็นสิ่งแปลกประหลาด มหาสัจจใจเกิดขึ้นภายในใจจะเห็นใจที่สุดที่สบายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทากันถ้าทาได้แล้วเราจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากเป็นอะไรจะไม่กังวลกับเรื่องของร่างกายเพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่เพราะเรารู้ว่าเราห้ามไม่ได้ห้ามให้ร่างกายไม่แก่ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ไม่ตายไม่ได้ร่างกายเขาเป็นอย่างนี้เขาเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ใจของเราทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองถ้าใจหยุดความอยากได้ ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เราทำได้ถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราควบคุมความคิดของเราด้วยการภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันต่อไปเราจะควบคุมความคิดได้เวลาคิดอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็สั่งให้มันหยุดคิดได้ พอสั่งให้หยุดคิดได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายนี่คือการชำระใจถ้าเราอยากจะชำระใจของเราให้สะอาดเราก็ต้องภาวนา สมถภาวนาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วพอออกจากความสงบมาก็รักษาความสงบต่อไปด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าลาบยศสรรเสริญความสุขต่างๆที่ได้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นของชั่วคราวมีเจริญมีเสือ่อม ถ้าเวลาเสื่อมก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อยากไปหาลาภยศสรรเสริญ อ, อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปที่หมดไปก็เพราะความอยากนี้เองเวลาเกิดความอยากความสงบ ก, ก็จะถูกความอยากนี้ทาลายไปพอเราหยุดความอยากได้ความสงบ ก, ก็จะกลับคืนมาอีก การที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องสอนใจไม่ให้ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนี่เป็นเหมือนยาพิษยาพิษนี้เรารู้ว่ามันอันตรายอย่างไรไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ยาพิษไม่มีใครอยากจะแตะยาพิษฉันใดลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะก็เป็นเหมือนยาพิษพร้อมเวลาเขาจากเราไป เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจนั่นเองบางทีถึงกับไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยากจะฆ่าตัวตายเพราะความทุกทรมานใจเวลาที่สูญเสียลาบยศสรรเสริญเสื่อลูกเสียงกลิ่นลดไปนั่นเองแต่ถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าลาบยศสรรเสริญลูกเสียงกลินลดผลพธะนี่เป็นยาพิษ เราก็จะไม่เข้าใกล้เราก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าคือสละราชสมบัติสละราบยศสระเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกวิ่นกายแล้วมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบเจริญวิปัสนาสอนใจให้ฉลาดเพื่อที่จะรักษาความสงบรักษาความสุข ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปนี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายไว้ให้กับพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความเสือ่อมไม่ว่าจะปฏิบัติในเวลาใดก็จะได้ผลเหมือนกัน จะปฏิบัติในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ก็จะได้ผลเหมือนกันปฏิบัติในสมัยนี้ก็จะได้ผลเหมือนกันเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาทั้งเหตุและผลเหตุเป็นความจริงในสมัยพระพุทธเจ้าเหตุก็เป็นความจริงในสมัยปัจจุบันผลที่ได้จะได้รับจากเหตุ ก็เป็นความจริงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสมัยพระพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนี้ถ้าจรอนเหตุแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหตุคืออะไรเหตุก็คือการทำบุญละบาปชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เองถ้าทำเหตุนี้ได้ผลก็คือความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะตามมาไม่มีใครที่จะมาขัดขวางเราได้ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะกระทำสิ่งที่จะขัดขวางก็คือความไม่แน่ใจของเราความลังเลใจหรือความเกลียดครางหรือความไม่มีความไม่เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถ้าเรามีความเชื่อเรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความมั่นใจไม่ลังเลสงสัยรับรองได้ว่าเราจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราสามข้อนี้จนได้รับผลอย่างแน่นอนจึงตกอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นผลนี้ไม่ได้เกิดจากผู้ผู้ทําให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าทาให้เราไม่ได้ พระอาริยสงสารโลกธรรให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้กระทาเองเราต้องเป็นอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราทาตัวเราให้เป็นที่พึ่งของเราแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับก็จะเป็นของพวกเราอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมา ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่พระพุทธเจา้าทรงมอบหมายไว้ให้คือการทําบุญละบาปและการทําละใจให้สะอาดโดยสุดนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแจ่เวลาจึงขอยุดติ